ช่วงเชาเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆยยก็อยากจะให้ศึกษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ถึงเช้ามาก็ออกกาลังกายแล้วก็ดื่มน้ำเพื่อเป็นการเจริญสติกรรมฐานกายางปัสสนาในหมดว่าด้วยธาสี่จะดูธาตุวัฐานมีการสมดุล ธาตุดินน้ำลมไฟของเราถ้าเราสมรู้จักสมดุลดินน้ำลมไฟของเราให้ให้ดีอยู่ทุกวันเนี่ยร่า <c oughs> งกายเราจะไม่แปรปรวนคงที่ในช่วงออกกําลังกายด้วยดียไฟที่มีเทเลไรด์เราบริหารธาตุไฟกับธาตุลมการออกกาลังกายจะร้อนแล้วก็มีการสูดลมปราณเข้าไปลึกๆไปสมดุลเอาธาตุไฟ ถ้าลมมันทำงานเข้มแข็งขึ้นการชูบฉีโลหิตการไหลเวียนโลหิตการไหลเวียนของเลือดลมสะดวกขึ้นทําไปแล้วก็เช็คลมหายใจถ้าวันไหนลมหายใจมันลงทะลุปอดทั้งสองปอดทะลุถึงท้องน้อยสะดือก็ถือว่าออกซีเย็นเต็มปอดแล้วนะ <c oughs> บางวันอาจจะไม่ใช้ทั้งหมดแต่ดูที่การระดับของเอาชีเย็นที่เข้าไปว่ามากน้อยแค่ไหน ถ้วาวาน้อยเราหายใจเต็มปอดหายใจทะลุก็มีผลให้ร่างกายละเอียบลงเบาต่มาก็เป็นธาตุน้ำก็ดื่มน้ำอุ่นเข้าไปสักขวดหนึ่งบางเชาวญาติโ ย, ยมก็เตรียมมะนาวน้ำมะนาวให้ ด, ด้วยก็ดีแล้วก็อันนี้เป็นการบริหารธาตุสีราสีสุมดุลแล้ว ตอนสายมาหน่อยก็จะเป็นทาตดินทัดดินคืออาหารเช้ามื้อเช้าด้านเช้านี่ถ่ายออกมามันประหลาดนะเมื่อเมื่อวานก็ลำดับไปคือทุกวันจะนำอัดดูด ว, วันนี้ทานอาหารเช้าอย่างนี้เพลอย่างนี้ถ่ายจะออกมาเป็นอย่างไรกนะ็ลำดับดูเมื่อวานเช้าจะเป็น Sally, แอปเปิ้ลซาลีกล้วยหอม รน ะ, ล, ะลังาสา์แค่นั้นแต่ในภาชนะเขามีสละเปามาีขนมไส้มาให้ถ้วยเบลล่มแลแ ต, แต่ก็ไม่ฉันเพราะเป็นไขมันแล้วกขบกให้เดดมากเกินไปทางไม้ร่างกายเกินเลยฉันได้ผลไม้สารวจ ด, ดูช่งชวงเช้าก็อุจจาระไม่น่าจะเป็นสีนี้ช่วงเพลนเขาให้อาหารมาห้าหอย่างเราฉันอยู่สามอย่างมีผัก ลวกน้ำพริกก็มีผัดฟักทอง <c oughs> ก็มีผลไม้อาหารอีกสองอย่างสามอย่างไม่ได้ฉันเป็นาอาหารที่อร่อยเกินไ ป, ไน ป, ปนไก็ไม่ฉันเป็นลาบเป็นแกงรสมอย่างดีอร่อยเกินไปแล้วกงดเพราะอาหารที่อร่อยเกินไปทำให้ทาดขันแล้วไปปรนได้ง่ายก็ไม่ฉันเออวันนี้เช้า น, นี อุจาระทำไมออกมาเป็นสีนี้ก็งงอยู่ว่าในร่างกายของเราจะมีการล้างพิดหลายอย่างนะซึ่งเราจะต้องรู้การเข้ากันออกของท่าสีด้วยนะในการปฏิบัติธรรมนะหายใจเข้าไปแต่ละครั้งเราเอาอะไรเข้าไปในการเจริญสติว่าหมดกา ย, ยานุปัสสนานี่เราเราต้องลงลึกไปเรื่อยๆนะมันมีรายละเอียดลึกมาก แต่หากเราทําไปผิวผิวเผลอเผลผ่านไปโดยที่ไม่มีใส่ใจต่อสิ่งเหล่านี้ความก้าวหน้าของการพัฒนาสติปัญญาจิตวิญญาณลมปราณพลังชีวติตของเรา ม, มันก็จะไม่เสถียรและอารมณ์เราจะแปลป่วนร่างกายเราจะแปลป่วนอารมณ์เปลป่วนร่างกายเปลป่วนเมื่อถูกกระทบเราจะเกิดปดิฆะงุดหงิดไม่พอใจได้ง่ายแต่พอเราปรับทาตเหล่าเานี้มันมีส่วน ทีเราจะปฏิบัติมามากขนาดไหนก็ตามอะ่ะถ้ามีอะไรมากระทบเราอยังหงุดหงิดใครมาบอกมาว่ามาเตือนในช่วงที่เราตั้งสติไม่ทันเราก็หงุดหงิดรุนวายสมัยก่อนนะเดี๋ยวดีๆไม่เป็นมันกลับเย็นเย็นขึ้นใครมาด่า ม, มาว่ามาบ่นต่อหน้าก็เห็นเป็นเรื่องตลกไปซึ่งมันก็เป็นทําให้เออมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากายเวฒนาจิตธรรมเนี่ยเพราะนั้นทุกวัน มาจะสํารวจดูว่าถ้าสีมันเข้าไปอย่างนี้ยแล้วมันออกมาอย่างไรตลอดถึงปัสสาวะบางวันข้นบางวันใสบางคนบางวันมีฟองบางวันไม่มีฟองบางวันมีกลิ่นบางวันไม่มีกลิ่นอุจจาระเหมือนกันสํารวจดูการเข้าการออกของเขาตลอดถึงลมหายใจช่วงเช้าถ้าหายใจไม่ลงทั้งสองข้างก็ออกกําลังกายอยู่อย่างนั้นแหละ จนกระทั่งมันลงถ้าไม่โล่งเราก็ไม่ยอมถ้าไม่โลง่งหมายความวาร่างกายมันนั้นมันจะแปรปรวนแล้วเราสังเกตผลเหตุผลของมันอันนี้เรื่องกายหยาบหยาบเราต้องศึกษากนะารปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทำ<ม>ถึงขนาดนั้นแล้วยากในการที่จะ ก, ก้าวหน้าในการปฏิบัติอารมณ์เราก็ขึ้นๆลงๆดีๆเสียๆบู ด, บดๆเห่าๆอยู่อย่างนั้นแหละมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักเพราะเราปรับท่านไม่ครบ บูริเจ้าทั้งหมดเจริญสติปัฏฐานสีด้วยอาการอย่างนี้ตลอดด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยอาการอย่างไรด้วยอาการที่เราทําให้มันถูกต้องตามนั้นน่ะี่เราจเจริญสติปัฏฐานสีท่านหลักประกันว่ายอย่างนี้มาเราทำํำไมเห็นไม่เป็นอย่างนั้นล็อกก็เราไม่ได้ทําอย่างนี้อ่ะเราไม่ทําอย่างเรามันก็เลยไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเราก็ดูคนออกล้วว่าคนนี้ ธาตุเป็นยังไงขันเป็นยังไงเขาบริหารยังไงนะบางคนเครียดเครียดตั้งแต่การฟังเสียงก็เครียดแลนะเวลาพูดก็ห้วนสั้นหายใจไม่ยาวเวลาใครนำธรรมวัตถุนมนลหุน่นห้วนสั้นเนี่ยเราจะตามยากมันไวแล้วก็เหนื่อยนะความผ่อนคลายไม่มีเวลาส่วนมวลจะต้องเสียงยอะยาวนุ่มนะลึก ไม่ใช่มันชันสั้นๆกระทันกระแทกแล้วหายใจสั้นมันจะเหนื่อยแล้วถ้าเราสังเกตพฤติกรรมของเราออกกอืออันนี้มันอย่างไรอย่างไรเนี่ยเราก็จะมาปรับทา่าอือเราหายใจสั้นเพราะอะไรหายใจสั้นมันจะเหนื่อยพอเหนื่อยเวลาเราพูดออกมาเวลาสวดออกมามันก็สั้นก็ห้วนก็เหนื่อยไปด้วยไอ้คนตามก็เหนื่อยไปด้วยเนี่ยมันมันมีผลกระทบต่อส่วนอรอบข้างเนี่ยมากเลย ถ้าเราไม่ปรับฝึกปรับทา่าปรับขันไม่ใช่การออกกําลังกายเหมือนกันถ้าออกกําลังกายแบบแรงแข็งกระด้างเกินไปมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราอยากลมหายใจหยาบแรงเวทนาแรงการออกกาออกกำลังกายคือทําเรื่อยๆนะทําทดสอบความหนักความเบาจงังหวะเข้าออกต้องใช้เวลา ไม่ใช่ใช้เวลานิดเดียวเราทําให้แรงทีเดียวเหงาอออกพลักพลักไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นการได้ส่วนเดียวคือร่างกายในด้านอารมณ์อาจจะตึงเครียดเราเห็นนักกีฬาบางคนหรือคนที่ออกกําลังกายบางคนเป็นโรคหัวใจวายเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนเราเคยเห็นคนที่สุขภาพดีกลับเป็นอะไรปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าความสมดุลในการออกกาลังกายไม่ดีหนักเกินไปเวทนาแรงกล้า เวทนากล้านก็มีส่วนให้อารมณ์ผันผวนแป ล, ลปวนปฏิฆาได้ง่ายหุดหงิดขุนมัวได้ง่ายมีอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็ขุนมัวแล้วเพราะเวทนาที่เกิดจากการที่เราทําอะไรที่ไม่สมดุลน่ะไม่ไม่สมดุลระหว่างธาตุมันมีผลกระทบทั้งหมดถนะ้าเราศึกษาให้ดีอืดัะนั้นเองการเรื่องการมีชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย จะทําอะไรแบบรุนแรงสุดตรงเนี่ยซึ่งกระผมมาตมาเคยเป็นมายาวนานนะแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเราเราชอบเรียนรู้ชอบเรียนรู้สิ่งใกล้ตัวก็ยอมรับ ว, ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องยากเนะียแต่ว่าถ้าเราพยายามแล้วพยายามอีกเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆในการแก้ไขตัวเองที่แท้แลการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรอื่นมือการแก้ไขตัวเองการแก้ไข ขาดขันนะการแก้ไขพฤติกรรมแก้ไขในิสัยแก้ไขเจริตแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเรื่อยๆแต่การปฏิบัติใดๆก็ตามถ้ามันไม่มีผลแก้ไขพฤติกรรม ต, ต่างๆให้ดีขึ้นให้เยือกเย็นขึ้นให้นุ่มนวลขึ้นให้ผ่อนคลายขึ้นเนะี่ยการปฏิบัติแบบนั้นก็มีผลน้อยนะมีผลน้อยนะเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียอะไรเด็กนั่นเอง เราปฏิบัติมานานๆแต่ว่าในการปรับาธาตุปรับขันปรับอะไรต่างการแก้ไขไม่ไม่มากเท่าที่ควรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง เ, เคยเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงเคยเป็นคนดุดันเคยเป็นคนหยากก็อย่างไรก็อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราฝึกฝนแก้ไขความนุ่มนวลความอ่อนโยนความ อ, อดทนความเบิกบานความร่าเริงความเป็นธรรมชาติ มันก็จะเพิ่มขึ้นเลยๆนะความมีมนุษยสัมพันธนะ์การรู้จักกาลเทศะมีเหตุมีผลอะไรมันก็จะพัฒนาในฝ่ายบวกกันเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราไม่มศึกษาสังเกตโดยละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะเราได้ปลูกฝังนิสัยจริตเราดีเรามายาวนานมากนะเดีย๋ยวว่าแต่ชาตินี้ชาติแล้วแล้วก็มีมาแต่ในการแก้ไขแล้วเราทำ่ถูกจุดนะ มันเปลี่ยนแปลงพลิกเลยนะอย่างองค์คุลิมานก็ดีอย่างพาหิยะธารุจิยะก็ดีเนะี่ยจิลาทพลัพรามณ์ก็ดีเนะี่ยจากพฤติกรรมนิสัยจิตใจโหดร้ายแย่ๆมาเลยกับพริกเป็นคนลนเรื่งเลยพลิกเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านเปรียบเส ม, มือนว่าปัญหาต่างๆที่เราสั่งสมมาหลายภพหลายชาติเนะี่ยมันเหมือนกระทาที่มืดๆที่มันไม่รู้มืดมากี่ล้านปีเนะี่ย แต่พอไปโดนสปอร์ตไลท์เข้าไปมันจะความมืดจะหายชั่ววินาทีเลยฉันใดก็ดีพฤติกรรมที่แย่ๆของเราหรือว่าพิสยัยแต่เราก็เป็นคนดีในสายตาสังคมนะไม่ใช่ว่าหมาความมาลึกๆของเราอะไรหลายอย่างมันถูกกดทับอยู่เนี่ยที่เราเองก็ยังรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าข้างนอกเราแสดงได้ดีแต่ข้างในมันถูกกดทับเอาไว้เนี่ยมันก็ เป็นผลให้เรามีทุกข์อยู่อะทุกข์รากของทุกข์มันไม่สินทราบเราก็ต้องพยายามเพราะนั้นการปฏิบัติคือการแก้ไขตัวเองเราสามารถรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองว่าจุดอ่อนของเราเองอยู่ที่ไหนจุดแข็งของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจาต้องรู้ตรงนั้นคือเห็นคาว่าปุเพนิวาสานุติยาสานุสติญาคือมีมีมีผลที่เราทาเราได้เห็นอ่า ความเป็นมาของตัวเองว่าจุดไหนดีจุดไหนเด่นจุดไหนด้อยจุดไหนเสียแล้วแก้ไขนั้นการบรรลุถึงญาณแต่สรลุ ข, ของพระพุทธเจ้าไม่เชิงไม่ใช่เรื่องที่เหนือเหตุผลนะแต่เป็นเรื่องที่มีเหตุผลที่ตรองตามเห็นความจริงได้ท่านบรรลุปุเพนิวาสานสุสติยานเพราะได้เห็นพฤติกรรมความทุกข์ความเดือดร้อนความผิดพลาดความอะไรต่างๆที่เป็นอกุศลทั้งหลายเนี่ย และส่วนที่เป็นกุศลก็มีแล้วก็ริ่มเริ่มทำละชะล้างในพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็ไต่เต้าไปถึงกำเนิดของมันว่าพฤติกรรมเหล่านี้มาจากไหนแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรสุกทุกต่างๆที่เป็นเป็นอดีตเนี่ยไปอาบายบ้างสุขติบ้างทุกขกติบ้างไปนรก บ, บ้างไปสบันบ้ า, บางในเพราะอะไรก็ได้เห็นวงจรของทั้งหมดที่ผ่านมาท่านเรียกปุเพนิวาส า, านุสติญา พราะองคไม่หยุดยั้ยงแค่นั้นตามไปว่า อ, อสิ่งเหล่านี้มันเกิดเนิดมาจากไหนแล้วมันจะเป็นเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าท่านก็ตามเข้าไปตามเข้าไปในที่สุดไปเห็นต้นตอของทั้งปวงทั้งหมดคือการเกิดและการดับเพราะนักญาณที่สอนเขาจะเรียกว่าจุตูปปัตฐญาณจุติกับอุบัติมาบวกกันแล้วว่าจุตูปปัตฐญาณจุติคือเคลื่อนคือดับอุบัติคือการเกิดคือการปรากฏเร า, าเรียกว่าการเกิดดับ มาเห็นอ๋อชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าทุกธรรมนามธรรมไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณมาเริ่มต้นมาจุดนี้เองเริ่มต้นมาจากการเกิดและการดับแล้วอะไรทําให้เกิดเกิดกระดับนั่นคือพลังพลังของโลกพลังจั ก, กรวาลพลังของโลกจั ก, กรวาลที่ใหญ่กว้างขวางเกินกว่าที่จะโฟกัสได้ว่ามาจากอะไรก็มาจากธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟที่มันวนเวียนมาเป็นตลอด ตั้งแต่โลกมันเริ่มมันแหละนะก็กลายเป็นพลังชนิดหนึ่งมาจากดินน้ําลมไฟนั่นเองมาหมุนตัวมนุษย์เจ้าก็เลยสรรเสริญว่าดินน้ําลมไฟธาตุสี่นแหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะมันสามารถผสมประสานกันแล้วมันสามารถเป็นได้ร้อยอย่างร้อยอย่างปันอย่างปุ่นอย่างแสนอย่างล้านอย่างทั้งทั้ที่มันก็ไปจากตัวแปรแค่ธาตุสีดินน้ําลมไฟแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตมันเพิ่มขึ้นอีกสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญ ญ, ญาณธาตุ แต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันก็จํากัดอยู่ดินน้ำบนไฟท่นบอกว่าธาตุสี่หรือธาตนะุหกเป็นสิ่งมหัศจรย์ท่านไม่ได้บอกว่าการแสดงฤทธิดได้ยังว่นี้เป็นวหาไม่ใช่แต่ธาตุสี่จะเป็นสิ่งมหาศาลให้เราศึกษาให้ดีนะเป็นสิ่งเป็นปฏิหารนะนั้นเองในการปฏิบัติภาวนาถ้าเราไม่ลงลึกในชีวิตในรายละเอียดของตัวเองให้ได้แล้วก็ยาก ในการที่จะไปรู้สิ่งแวดล้อมว่าอะไรเป็นอะไรนะการปฏิบัติภาวนาของเราต้องมีผลในการเปลี่ยนจิตนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมที่มันเป็นเป็นลบหรือเป็นอกุศลและส่งเสริมพฤติกรรมและก็จิตนิสัยในฝ่ายอกุศลนคือฝ่ายบวกให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือผลของการปฏิบัติ เมื่อเราเห็นที่ไปที่มาของชีวิตคือการเกิดการดับเราก็มาพัฒนาการเกิดดับของเราการเกิดดับในในชีวิตของเราจะมีสีระดับคือ ด, ดับในายกายทาเราทำให้เราสามารถสัมผัสได้ว่าเราเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นเป็นเฟืองตัวนอกสุดที่มันมุ่งช้าๆเนี่ยที่เราตามเห็นได้ดว่าเกิดดับในไฟรูปสองเกิดดับในไฟของเวทนาอืม ไปเตืนาคืออาการของรูปมีความเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมันก็เป็นเฟืองตัวถัดลงไปตัวเลขถัดลงไปสามไปหายการเกิดดับของจิตเป็นเฟืองตัวที่สามลึกเข้าไปการเกิดดับของจิตที่เห็นได้ง่ายๆคือการคิดอารมณ์ความคิดและไม่คิดกัรหยุดคิดการเกิดคิดเนี่ยเห็นได้ยากๆแต่ลึกไปกว่านั้นเฟืองตัวในสุดการเกิดดับของอารมณ์ ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นต้นต่อเฟื่องตัวในสุดหมุนต่อกัอนมาเพราะฉะนั้นในพฤติกรรมของเราทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ทั้งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ก็มาจากผลพวงของการเกิดดับที่ทํางานพร้อมๆกันตลอดเวลาไม่เคยหยุดตั้งแต่เราเกิดเมื่อเรารู้อย่างนี้ปั๊บเราก็จะต้องมาปรับเรื่องการเกิดดับการเคลื่อนการไหวการอะไรต่างๆที่เราเป็นบทกรรมฐานนี่แหละก็มาเป็นตัวสติปัญญาน ให้เป็นสติเป็นฐานให้สติเป็นฐานของสติให้สติมีฐานอืเพราะนั้นเองเราจะเปลี่ยนการเกิดดับให้เป็นฝ่ายกุศลอกุศลเป็นฝ่ายวิชาหรืออวิชาก็อยู่ตรภาคปฏิบัติลนะและเป็นฝ่ายที่มีสติหรือขาดสติก็ อ, อยู่ภาคปฏิบัติที่นี้พอเรารู้ว่าการเกิดดับที่ถ้าเป็นฝ่ายวิชาเนี่ยมันก่อให้เกิดตัวการรู้แจ้งเห็นจริงทะลุ ทลวงถึงธาตุขันทั้งหลายดังนะนั้นการภาวนาถึงใช้วิลัยาการบุพเพต่อหนึ่งระยะอีกระยะหนึ่งให้เป็นพฤติกรรมนะการภาวนาจนพฤติกรรมประจําวันไม่ใช่ว่ามีเวลามานั่งปฏิบัติเสีีไม่มีเวลาก็ไปทำเรื่องอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องสามารถเอาการภาวนาลงในชีวิตประจำวันมันถึงจะทันกัน เรามานั่งภาวนาวันไม่กี่ชั่วโมงแต่เราไปใช้พฤติกรรมตามนิสัยวันกี่ชั่วโมงมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เรานั่งมีสติแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงต่อ ว, วันแต่ไป <c oughs> ยืนเดินนั่งรอนแบบเผลอสติวันละยี่สิบชั่วโมงคุ้มกันที่ไหนทันกันที่ไหนมันจะต้องให้ลงลงในพฤติกรรมของชีวิตจริงมันถึงจะทันที่เอากันอยู่นะจะบาลานซ์แกนตรงนั้น ดังนั้นเมื่อเรารู้วิธีเปลี่ยนแปลงว่าการเกิดดับแบบอวิชชาเป็นอย่างไรตรวจสอบการเกิดดับแบบอวิชชาและวิชาเป็นอย่างไรจากนั้นเมื่อเกิดญาณที่สาอาสวัายานก็สามารถชําระกิเลสกิเลสานุสัยกิเลสาสวะทั้งหลายให้ใ ห, หมดไปได้ก็เรียกว่าอาสวัคายานกําจัดอาสวะได้ตามลําดับ พะจารย์ตัดสุลุของผู้นิจชาวก็มีแค่สามยานก็เป็นเหตุเป็นผลที่ตรองตามเห็นได้ซึ่งอัคร า, าจารย์มาแยกเป็นญานหกยานเก้ายานสิบหกอะไรก็เป็นเรื่องของอคร า, อาจารย์ที่ท่านมีหัวข้มเห็นต่างก็ไม่ต่างากับยานสามขยายไปยัยานสามนั่นเองดังนั้นเองการปฏิบัติของเราต้องมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นไม่ใช่ทํามาตั้งนานแล้วก็ยังมีอะไรก็ยังไม่ เปลี่ยนแปลงเป็นเรืเ่อง เ, เ, เป็นราวเนี่ยเราขาดอะไรเราขาดความแยบคายขาดอยู่ที่สง ม, มนุษยการหลังจากที่มาได้ได้ทาคอร์สเหล่านี้มาระยะนี้ก็มีคนเริ่มเข้าใจและส่งกันบ้านมากขึ้นตามลำดับส่งกันบ้านว่าชีวิตประจวันได้ทำอะไรไปบ้างและสังเกตอย่างไรเรามีการตรวจสอบแก้ไขโดยไปเรื่อยๆซึ่งนับวันที่เราจะต้องพัฒนา การปฏิบัติในลักษณะอย่างเนี้ประโยชน์นิสมานุสิกาลในธรรมวิจัยเนี่ยให้ชัดเจนได้เข้มข้นขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องของตามาเลยหลวงพ่อเท่านั้นต้องทําเหมือนกันถ้าเราสบักที่จะเป็นนักปฏิบัติที่ต้องการความก้าวหน้าเราจะมีการตรวจสอบกันเรื่อยๆตรวจสอบกันตรงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอามอ้มแล้วต่อไปไว่าตรงๆเอ๊ะทาไมน้อยๆไปอย่างเงี้ยนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะี่ยัง เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็บอกกันอันไหนส่วนที่เป็นลบเป็นบวกต้องกล้าบอกกันโดยตรงล ะ, ะเพราะงั้นเราเราไม่รู้ตัวว่าเราขาดพกพุกท่องตรงไหนนแต่ว่าถ้าเราเกิดได้รับการบอกกันเตือนตรงเราจะงุดหงิดติดอารมณ์อะไร ก, ก็ก็ต้องเป็นบทปฏิบัติอีกแล้วทีนี้นเออทําให้เราได้ปฏิบัติอครูบาอาจารย์ขณะครูบาอาจารย์เตือนบอกขนาดนี้แล้วยังงุหงิกดกันนี้คนอื่นที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์เราะจะว่าไง เราไม่ทุกจนตายหรือมันก็จะทําให้เกิดสติตัวนี้ขึ้นมาครูอาจารย์ว่าแล้มันเกิดความกดดันเก็บกดอดกันหรือเปล่าหรือว่าเกิดความเข้าใจใช้ปัญญาแก้ไขตามที่ท่านเตือนมันก็จะมีผลเป็นวิชาอาวิชาขึ้นมาอันนั้นเรื่องนี้ในนับวันที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการปฏิบัติสูงขึ้นเนี่ยเราจะทําอะไรอยู่ในระดับเดิมๆไม่ได้ต้องมีการพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลง การจะทำจะพูดจะคิดอะไรต้องมีสติสัมปชัญญชะชัดเจนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นทำไม่ได้เราก็ไม่ไปเพ่งโทษนะเขาก็ยังทำไม่ได้ก็ต้องสงสารเขาต้องเอ็นดูเขาไม่ว่าคนนั้นจะแก่กว่าเราหรือปฏิบัติมานานกว่าเราก็ตามเราต้องไม่นึกตาหนิไม่นึกดูถูกดูหมิน่นดูแคลนต้องนึกถึงความเมตตาสงสารในความที่เขายังไม่พัฒนา มันก็จะเป็นสะท้อนหาเราเออถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันก็จะท้อนกลับมาหาเราเราก็จะเป็นกระจกส่งให้เราได้พัฒนาตัวเองมาขึ้นนะฮะเพราะนั้นชมเช้านี้เราให้ขอคิดกันเท่านี้นะหมดเวลาก็ค อ, อนมุทนากลกลับก